ตอนนี้ไปพระบรรดาท่านบุตรบรีกทังไหลต้องํำแนะนำแจกโลกในตอนต้นมีขอผู้กรนดานักปฏิบัติรวมทั้งเก่าและใหม่การเรินรละกัลทายขอทุกท่านในโสชาตามตระสองพระองค์สมเด็สัจธรรมาตุสุเมจร พระพุทธเจ้ามีความร่งหลังอยู่เพื่อต้องการใ้มันดาเปนพระพุทธเจ้าจัเข้าถึงพระลิขานุติตอนนี้พระพุทธเจ้าทงราบว่าการเรนไหวไยเกิดขึ้นในวัฏฏะต่งๆเปิดเกิดเป็นคนก็ดีเป็นศรสก็ดีเป็นประเดีเป็นสายก็ดีทหมดนี้ไม่มีใครมีความสุขทุกคนมีแต่ความสุข ถ้าเราที่ได้เกิดเป็นพเวทพรดาหรือผมมีความสุขต่ว่าความสุขนี้มีได้ไม่นานทั้งหมดทุนวษณาบามีก็ต้องกลับมาเกิดแต่ว่าในเวลาปัจจุบันนี้ถ้าพูดด้วความทุกข์มนรกในเปลียจากสุขการสปนทุก์ปัญดาของผู้ตั้บริษัตธอาจจะไม่้กใจแต่มีช่วงหนื่อว่าท่านมอยู่ในสัพพะเป็นแราเวทานี้ทันทคน แต่นเมื่อท่านทุกตนเป็นคนก็จะมองความเป็นคนว่าคนนี้มันมีคามสุขหรืว่มีความทุกนี่เรื่องการพูดการไหวชาติโทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เวลาเรียทุกขาความแก่เป็นทุกข์มาระนทุกข์ความตายเป็นทุกข์รูจักปฏิวัตกรตมรรคจิาเป็น้นอัเนียกนว่าความเ้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ได้ความพักกามจากขอรักขอเข้าใจไปด้วยช่วงเวลาที่ท่านไม่หลเกิดมานนี้ท้านมีคามทุขอย่างนี้บ้านหรือล่าหนึ่งที่ท่านได้เกิดมาทุกวันเดินก็ไปหาการแกหรือเปล่าและวอนในค่อนที่ที่ท่าดตรงโตอยู่นี้มีการเผยแพร่มาสบายไหม แล้วก็มีการทักผ้ากับของรักของชอบใจนะคนที่เรารักคนที่เรารักบริัทที่เรารักกัทที่เราชอบมันตายจากเราหรือเขาตายจากเราเขาต้องพักผ้าจากเราไปมีไหมแลวถู้ที่เรารักที่เราชอบก็ต้องสูญเสียคนหายไปมีไหมการหนึ่งการกระทุกระเทือนอารมที่เราไม่ชอบใจมีไหมและในที่สุดทุกคนที่แสนเปล่าเราจะต้องตาย เอจะน้ำว่าคันเป็นทานทุกอย่านเลที่มีระยะยาวแต่ทุกอีอันหนึ่งที่องสุนทสําเาก็จเจ้าของีมันมพัดจทุกพิพัฒน์แต่ทุ ก, เ, กทเรื่องนี้มันทุกส่วนได้กัน่งความหิวแ่้ววันไหนเราไมากันไฟกินข้าวไม่กัไฟกินน้านเล ย, ยสิกมันจะทนไหวไหมถ้า จ, จาจะต้องทำก็ต้องไห เนอะรบาเราก็ไม่สามารถจัญันได้ไม่มีใครอยากได้เพราะกปั่หัวมันจเป็นทุกข์การปวดอุจาระปวดาระมันก็นทุกข์ความไม่สบายกายและสบายใจนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์มาเจอไหนทีจมาจะร่างกายคุณเชื่อว่าร่างกายมันมีความจำัมากเราจกคนเือร่างกายในตามให้มันสิ้นทุกข์กไม่มีทาง อาการที่เราเข้าไปคตืร่างกายที่เราก็เป็นปร่างกายต้องการอาหารเลาต้องหาอาหารการทางานอาหารก็ต้เสี่ยต่อการไม่สบายกายเม่สบายใจเลาจะนั่เราจะนอนารปกติเไดาก็มันไม่มีจิตการปะกอบกายงานทุกอย่างจะมีความเหน็ดเหนื่อยเรืงกายเั้งใจและต้องแต่งตับอาการทั้งนี้คนมีปัญญาเขารกปบ แล้วเมื่อเราได้อาหารเข้ามาแล้วเราบริโภคอาหารเข้าไปครับคนเปยร่างกายให้ร่างกายมันชอบเที่ยวแล้วให้กินเที่ยวร่างกายมันชอบเรีกยวแล้วให้กินกินถ้าใครมันก็ต้องกินเสร็จให้กินไาวก็หาใยมันถ้ามันหนาวหาเครืองอบอุ่ลําบังใข่ถ้ามันร้อนก็หาเครื่องยินมาช่วยมันเผาความร้อน อั้นี้เราต้องการเยียวยาความป่วของร่างกาย ม, มีการฟื้นตัวมีการเสื่อมและการสลายตัวแล้วทุกคนก็ทํากันอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าใครเกิดมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันแล้วเห็นมีใครบ้างที่เป็นหนุ่มหนุ่สาวจนเป็นร่างกายอย่างนี้เขาไม่แก่ดี้หมคนที่เป็ น, น, น, นร่างกายทุกสิ่งที่อย่างเนี้ออาหารดีๆกินมีผู้ทรัพย์ทอนดีๆแล้วเขาไม่แก่เขาไม่กวนดีไหม เอ็นแล้วก็เหม็นมันว่ามันมีก็ต้องแก่จ้เกิดแล้วคนประเภทนั้นทีเขาตายตายจนแล้วแต่ใครมีใครเศ้าไหมจะได้เกิดมาไม่มีจินหันไม่มีใครบ้างไหมจะได้เกิดมาไม่มีการชมเพล่อดกายไม่มีทุกคนเราก็โง่ด้านกายเป็นอย่างดีแต่ในที่สุกคนพวกนั้นก็ต้องตายเพราะี้เพราะรเพราะว่ากายมันมีความเกิดเป็นแก่นต้น มีความแปรปรวนไปตรงกลางแล้วจะมีการแตกกระจายสีตายเป็นสิ่งกี่ธรรมดาของมันเราจะทนเจยอยังไงก็ไม่เ ป, เป็นเรื่องเะนั้นองค์พระพุทาท่านได้ก <c oughs> ล่าวในนามบรรดาท่านทุกบริษัว่าเราที่มีทุกเป็นเวลา น, นี้ต้องมานั่งอยู่หน้ารายนะปุจจาระปุจจามีความเห็นยในการงาน ต้อระทกระาัอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างส้พัสพลาแต่ขอรัขอสักใจต้องตายเราก็ว่าเดื่อหนึ่งในร่างกายไม่มีความรู้สึกคิกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราป็นพวกเราแต่เมื่อแท้จียงก็เลยทราสว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราปตัวเราเป็นธาตุสี่เมคมกันผู้รา แล้วก็สลายตัวไปเวลาที่ร่างกายคางคิดใจได้ละความไปด้วยควาสุทธิ์ชัดถ้ถ้าเราริความทั่วก็ไปบาส่ได้เกิดเป็นปัจจัยลบ้างไเกิดบ้างเป็นสรการบ้างารทำความีมากกว่าความเป็นคนแล้วก็เกิดนภวนาถ้าเราางสมรู้อะไรท่านั้นว่า เป็นที่ยวร่างกายเนี่ยมันมีการโวนตัวฉะนั้นเราก็เลยแจ้งคำแนะนำว่าท่องทายความสักดิ์จริงๆเพราะมันไดาท่านพุทบริษัทตัดสินใจมองหูฟังทุกขร่างกายเพื่อเป็นธุรกิจึิดว่าร่างกายในเรื่องอย่างนี้จะมีกับเราก็คือข้านี้เป็นขาาสุดท้ายกายข้ากายในเรื่อย่างนี้จะไม่มีกณบเรา แน่น้นก็ไม่ต้องการร่างกายควบมไม่มต้องการงานกายควบคดาก็มีความาสุขแ น, น่นอนร่างกายที่แน่นอนมีการโคนตัวมีความสุขไม่มีการตึงแตรนั่นคือกายของ ส, สรรมชาติเราตั้งใจเลยว่าถ้าเราตายครานี้แล้วขอไปนิพานนีน่ <c oughs> นนถ้าเราจะไปนิพานได้ก็ต้องใช้ากาลังใจสูงนหนึ่งนั่นคือตัดโลภความโลภ เขาัม่โลภอยากกินในสุขสันตธรรมเขาไม่มีโลภเราไม่ชุ่เกลียวโงค์ใครไม่ชุ่ยเลรักจิตประวัยิขาหาที่ใิใว่าเป็เขาับอย่างนี้ทุกคไม่มีความโลภเราพยายามระงับอารมณ์ใจตามโรดไม่อยากมีอึ่นมันเป็นมิตตั้งยมันเป็นาวกลไม่สด ก็มีควารมรู้สึกเสีอว่าเราเป็นค น, นไม่มีเบรคไม่มีใครคนไทยก็ไม่เป็น ส, สติคนไท ย, ยในใหม่ก็ยืนตั้งไรตั้งของธรรมดาไม่ใช่ไม่ตสติแล้วขั้นสุดท้ายก็มีควารมรู้สึกเสนอว่าการมีร่างกายาแบบนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการการ หลังจากนั้นเราโฟมกาลังใจที่ว่าเราก็ยอมรับรับหรือองค์สมเร็จตสัมมาทิฏฐิจาระธรรมแล้วก็อริยสัจปัญญาสมใจานกรณีสองเราจะมีสินห้าเลยสุดปรอบไม่ละเมิดสินห้าเลยพิจาาในการตั้งใจในกรณีสามเราคิดว่าถ้าเราตายตอนนี้ทั้งความดีทุกอย่างเราไม่โมกไปหมันไม่หมุนไปหนรอกไม่มุงการเสียใจะลย เราทำเพด e so e. ่อวิญญาณอย่างเดียวอาวมรรษฐานในการมีธรรมนาทุตมารีสัตว์ทรงตัวไว้ก็สินค้าข้อใดข้อหนึ่ได็เฉลยเมื่อก็การเสด็จอุตตรเป็นเวลาที่จะตายตรงลงแล้วเพราะฉะนั้ความชั่อการแล้วว่าสินและได้ยินในการของวิญญาณที่ว่าเราเริ่มต้นใหม่ถ้ากำลังใจแล้วั่นคงได้อย่างนี้คือมีความเคารพต่พระพุทธเจ้าจริงในประทำเพในข้าวรืยสองขีง ถ้าต่างใจว่าตัณฑบัตินี้ไปก็จะท ร, ะรงชินใ ห, หยย้บริสุทธิ์ถ้าติดคิดในอย่างเดียวว่าถ้าตายคอนี้ขอไป อ, อย่างนี้เขาเลยดาวโผล่ไดันว่าเป็นตัวโสดาบันถ้าเป็นตัวโสดาบันได้จริงๆแล้วโสดาบันก็เป็นตรงนี้บาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วทัหมดในโยบาดได้ผลลบล้างาไปเลย กายเป็นโลกเป็นานก็ไม so ่ม so ีการเกิดจริงแต่โลกเป็นเศษเศษเกิด้ายเป็นเศษทานทุกบาปไม่สามารถจะให้ผลได้แล้าทำเยี่องกายไปเข้าสู่นิพพานถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้แล้วถ้าทรงอารมณ์อย่างคิดว่ามันเป็นโลกก็ดีทื่ว่าโลกกดีคนโลกกดีเป็นภัยสหรับเราเราไม่ต้องการสุที่เราต้องการเรามอย่างเดียวคือนิพพาน ถ้าคิดอย่างนี้ได้ท่านหนึ न न ่งยใจอะไรปฏิพันธ์อย่างนั <olarak> ้นในเวลาทุกท่านนและตอนทียไปเขาพูดกับท่านมาปฏิบัติใหม่ทานทมาปฏิบัติใหม่ให้ให้มั่นใจในตัวเองว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้มีสินบริสุทิและมื่อก่อนจะบกต้ออะไรบ้านกระช้างเสร็จวันนี้เราสมาทานสิ้แล้วมาเวลาทานสมาวานสิ้นแล้วเราติดใจสิ่งอะขาดม่บุกต้อ ทุกคนยังมีความมันน่นใจว่าเวลานี้เราเป็นผู้มีเขียงบรยสุทธิ์เวลา็ฏิบัติพัฒ น, นาวนาาันละมาเวลาให้ใจเข้าในวันละมาเวลายห้ใจออกในวันละผาเวลานำาัฒนาจะรู้ลมใจที่ออกแล้วก่อยใจสบายสบายยากรับถ้ามันหนักมันเบาผนลมมันยาวมันสั้น เราใอใจไปตามปกติยึดภานาตามไป้องครั้มันก็เสือดั้งอะไรบ้างอันนี้ก็เป็ของธรราเวลาที่ภนาตัญญื ains, stein, ่อหลักที่เราหมบัติเพราะวาเวลาภาวนาเราต้องการให้จิตเป็นคิดถ้ามันใหญ่รุ่งใหา่ถึงด้จิตมัก็ไม่เคยเป็นคิดไปสามารถจะไปไหนได้เวลาที่คือเขาไปแนะนำเขาอินทรย์าหเ่คือหนึ่งจะมีคนเขาไปนั่งพนาใจเขาจะแนะนำทำ เราปาก็มีคนไปนั่งพัฒนาในตอนนี้เรื่องภาวนาเนี่ยให้สนใจสรุให้ใจเขาออก้ังคำแนะนำเขาพูดแนะนาเขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นแันที่ถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีสักแต่าวเริ่มมีเทวาแล้วดง้นนากันแ้้ความรู้สึกตัใจมันบอกว่ามีต้องตอบคำามทีนะจะไปนี่งอึ้งอยู่เองอยบอก เวลานั้น <favorable> จ <noise> right. cool. ิเป็นสมาธิอารมณ์เป็นทุกข์ม่มีอะไรทีความรู้นัตรองสักอย่างต้องตอบคำถมทีทางไหนเาถามว่าเป็นผู้หญิงรือผู้ชายใจมันบ่าผู้หญิงก็ตอบผู้หญิงใจมันว่าผู้ชายก็ตอบผู้ชายต้องคำถามถ้าเิดถึงปัญญานี่ไม่ใช้าตาบุญที่ความรู้สิทธิ์แนใจทุกข์ต้องทำกรรมเป็นตัวที่จะพิบัติปัญญาแลยตอนนี้ไปทุกวันจะมีสัตว์ช่วยด้านกายให้ทรงบำบัจิตท่านมั เมื่อทข้าใหม่าหุดรู้หลงใจเขาออกให้ใจเข้านี่คนักมาได้ออกเพื่อพาัดแล้วก็สำหรับท่านที่ทำมาได้แล้วให้รวบรวมกำงานใจสั่งฉันมหาจารีวันมแล้วคิดว่าเราต้องการมความสุขอยว่ตอนที่ท่นไปก็า้หลบรู้จดของสมุดจิตสำมาถึงเจ้าให้ปอใจตอนนี้มีพระครูจะแนะนำท่านหลายข้าวถึงขัทำสุขโมหะจารัมาแล้วตอนนี้ไปเขาได้ปฏิัตได้